และม้าและยานพาหนะที่จะไปทางบกและทางน้ำทุกประการทะเลท ะ, ละยานังเมื่อไปทางบกจะได้ยานทางบกชะเลชะละยานังเมื่อไปทางน้ำจะได้ยานทางน้ำเมื่อไปเกิดในเทโวโลกก็จะได้ยานในเทโวโลกเมื่อมาบังเกิดในมนุษยโลกก็จะได้ยานในมนุษยโลก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 ทานที่ให้ด้วยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุขให้เกิดในสวรรค์ได้เหมือนกันพระเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นถึงจะให้สองพระองค์ได้รับทุกข์ด้วยพราหมณ์ทาเข็นผูกรัฐ ด, ด้วยเทาวันก็จะได้สวยวิบากผลเป็นสุขเหมือนบุรุษที่ส่งสมณะพราหมณ์ผู้อาพาธนั้นอะปรังปิมหาราช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 และบริจาคพระโอรสทั้งสองให้เป็นทาตแห่งผู้อื่นนั้นชื่อว่าเป็นทานที่พระองค์บริจาคยิ่งเกินบัณฑิตทั้งหลายในโลกย่อมพากันตีตนินทาจะได้สรรเสริญหาไม่ได้มีอุปมาเหมือนหนึ่งเกวียนถ้าบรรทุกมากนักเพลาก็หักเรือถ้าบรรทุกหนักนักก็จมบริโภคอาหารเกินขนาด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 ก็สแสวงหาโพธิญาณโดยอาการต่างๆมีอุปมาฉันนั้นแม้พระโูธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนหรือจะมีมาภายหลังพระองค์ก็ทรงพยายามสแสวงหาโพธิญาณเช่นนี้ทุกๆพระองค์จะได้ผิดเพี้ยนกันหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งมหาอมาตย์ของสมเด็จพระบรมกาษัต์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 ก็ไม่มีใครอาจเอาไปใช้เป็นทาตได้ฉะนั้นอะปรังปิมหาราชะขอถวายพระพรบอพิจจงทรงสวนาการเหตุใหม่ให้ยิ่งไปกว่านี้ธรรมดาว่าหิมวันตราชคิรีเขาเออัจจุกขะโตนเพสูงเทียมเมฆจคขน า, นาได้ห้าร้อยโยต์โดยส่วนยาวและส่วนกว้างนั้น ขณะนาได้สามพันยอดจะตุราสีติกูตะสหัสเสหิปฏิมัณิโตประดับด้วยยอดนั้นมากมายนักหนาจะขณ น, นาได้แปด0มื่นสี่พันยอดปั้นจมกาะนทีปะพะวุเป็นที่หล่อหลังน้ำให้ไหลไปยังมหานาทีแม่น้ำใหญ่ทั้งห้ามหาภูตะขณาลโย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 จึงตรัสสั่งสอนไททารกเล่าว่าเจ้าจงกระทำตามถ้อยคำพระบิดาถ้าพระอัยกาจักไม่ถ่ายเจ้าแย่งเอาจากพราหม์ด้วยคมเหงอัยกสะวัจณังนักะยิราถาเจ้าทั้งสองอย่ากระทำตามคำของพระอัยกาอนุญายิโนจงก้มหน้าไปเป็นข้าพราหมณ์ตามอัธยาศัย